ทุระสูตรว่าด้วยสิ่งที่ต้องแตกสลายไปเป็นธรรมดาแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายร่างกายนี้ต้องแตกสลายไปวิญญาณมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปธิทั้งหมดล้วนไม่เที่ยงเป็นทุกข์ มีความแปรผันเป็นธรรมดาพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่ามานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าบุคคลรู้ว่าร่างกายนี้ต้องแตกสลายไปและวิญญาณก็ต้องเสื่อมไปเห็นภัยในอุปธิทั้งหลายแล้วย่อมล่วงพ้นความเกิดและความตายได้บรรลุถึงธรรมเป็นที่สงบอย่างยิ่งแล้วชื่อว่าอบรมตนได้แล้ว รอคอยอยู่แต่เวลาเท่านั้นแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลพิธุรสูตรที่แปดจบเก้าตุโสสังสันธนะสูตรว่าด้วยสัตว์ทั้งหลายเสมอกันโดยธาตุแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว พระสูตรนี like ้พระอรหันต์กล si ่าวไว้แล <compl> ้วข้าพเจ้าได้สะดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเมื่อว่าโดยธาตุสัตว์ทั้งหลายเข้ากันได้คบกันได้กับสัตว์คือสัตว์ที่มีนิสัยเลวเข้ากันได้คบกันได้กับสัตว์ที่มีนิสัยเลวสัตว์ที่มีนิสัยดีงามเข้ากันได้คบกันได้กับสัตว์ที่มีนิสัยดีงามภิกษุทั้งหลายแม้ในอดีตการเมื่อว่าโดยธาตุ สัตว์ทั้งหลายก็เข้ากันได้คบกันได้กับสัตว์คือสัตว์ที่ม e ีน right ิสัยเลวเข้า the กันได้คบกันได้กับสัตว์ที่มีนิสัยเลวสัตว์ที่มีนิสัยดีงามเข้ากันได้คบกันได้กับสัตว์ที่มีนิสัยดีงามภิกษุทั้งหลายแม้ในอนาคตการเมื่อว่าโดยธาตุสัตว์ทั้งหลายก็จะเข้ากันได้คบกันได้กับสัตว์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 สัตว์ที่มีนิสัยดีงามเข้ากันได้คบกันได้กับสัตว์ที่มีนิสัยดีงามพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่ามา น, นี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าเพราะการคลุกคลีกันกิเลสจึงเกิดขึ้นเพราะการไม่คลุกคลีกันกิเลสจึงขาดไปบุคคลลงเรือเล็กหวังจะข้ามมหาสมุทร ยังไม่ทันถึงฟังก็จมลงในมหาสมุทรชันใดบุคคลแม้มีความเป็นอยู่ดีอาศัยคนเกียรตคร้านก็จมลงในสังสารวัตรได้ฉันนั้นเพราะฉะนั้นบุคคลควรเว้นคนเกียรคร้านผู้มีความเพียรย่อหย่อนนั้นควรคบพระอริยะทั้งหลายผู้สังัดมีใจมั่นคงเพ่งพินิจอยู่ปรารบความเพียรเป็นนิดเป็นบัณฑิต แม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วเขาพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลท่าตุโสสังสันธนะสูตรที่เก้าจบ 10. ปริหานสูตรว่าด้วย ทำเป็นเหตุแห่งความเสื่อมแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายทำสามประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมแก่ภิกษุผู้เป็นเศคะราทำสามประการอะไรบ้างคือภิกษุผู้เป็นเศคะในธรรมวินัยนี้ 1>, 1. เป็นผู้ชอบการงานยินดีในการงานมันประกอบความเป็นผู้ชอบการงาน 2. เป็นผู้ชอบการพูดคุยยินดีในการพูดคุยมันประกอบความเป็นผู้ชอบการพูดคุย 3. เป็นผู้ชอบการนอนหลับยินดีในการนอนหลับมันประกอบความเป็นผู้ชอบการนอนหลับทำ3มประการนี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมแก่ภิกษุผู้เป็นเสขะ ภิกษุทั้งหลายทำสามประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมแก่ภิกษุผู้เป็นเซขะทำสามประการอะไรบ้างคือภิกษุผู้เป็นเสขะในธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้ไม่ชอบการงานไม่ยินดีในการงานไม่มันประกอบความเป็นผู้ชอบการงาน 2. เป็นผู้ไม่ชอบการพูดคุยไม่ยินดีในการพูดคุย ไม่มันประกอบความเป็นผู้ชอบการพูดคุย 3. เป็นผู้ไม่ชอบการนอนหลับไม่ยินดีในการนอนหลับไม่มันประกอบความเป็นผู้ชอบการนอนหลับทำสามประการนี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมแก่ภิกษุผู้เป็นเสขะพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกลา่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาพระพันดังนี้ว่าภิกษุชอบการงานยินดีในการพูดคุย ชอบการนอนหลับมีจิตฟุ้งซ่านเช่นนี้จึงไม่ควรเพื่อจะบรรลุอรหัตผลอันยอดเยี่ยมได้เพราะฉะนั้นภิกษุจึงควรเป็นผู้ทำกิจแต่น้อยนอนหลับแต่พอสมควรมีจิตไม่ฟุ้งซ่านเช่นนี้จึงควรเพื่อจะบรรลุอรหัตผลอันยอดเยี่ยมได้แม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล ปริหานสูตรที่10จบตติยวักจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. มิชาทิฏฐิกะสูตร 2. สามมาทิฏฐิกะสูตร 3. นิสรนิยะสูตร 4. สันตระสูตร 5. ้ปุตตสูตร 6. อวุธิกะสูตร 7. สุขปัฒนาสูตร 8. ทีุ่ระสูตร9ทาตุโสสังสันธนะสูตร10ปริหานาสูตร4เจตุทวักหมวดที่4 1วิตกะสูตรว่าด้วย อกุศลลวิตกแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วเขาพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายอากุศลลวิตกสามประการนี้อากุศลลวิตกสามประการอะไรบ้างคือ 1. วิตกที่เกี่ยวกับความไม่ต้องการให้ผู้อื่นดูหมิ่นตน 2. วิตกที่เกี่ยวกับลาบสักกระและการสรรเสริญ 3. วิตกที่เกี่ยวกับความเอ็นดูในคนอื่นภิกษุทั้งหลายอาุศลรวิตกสามประการนี้แลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าบุคคลผู้ประกอบด้วยวิตกที่ไม่ต้องการให้ผู้อื่นดูหมิ่นตนเป็นผู้หนักในลาบสักกระและการสรรเสริญ มีปกติยินดีกับพวกอมาตย่อมอยู่ห่างไกลจากธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งสังโยชนิกษุในธรรมวินัยนี้ละทิ้งบุตรสัตว์เลี้ยงการแต่งงานและความห่วงใยได้เช่นนี้จึงควรเพื่อจะบรรลุอรหัตผลอันยอดเยี่ยมได้แม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลวิตกะสูที่หนึ่งจบ 2. อสักการะสูตรว่าด้วยผู้ถูกสั ก, กระครอบงำจิตแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเราได้เห็นเหล่าสัตว์ที่ถูกสั ก, กระครอบงำย่ำยีจิตหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกคติวินิบาตนรก เราได้เห็นเหล่าสัตว well ์ท ah ี meter, ่ถูกความเสื่อมสักการะครอบงำย่ำยีจิตหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตเนรกเราได้เห็นเหล่าสัตว์ที่ถูกสักการะและความเสื่อมศักการะทั้งสองครอบงำย่ำยีจิตหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตเนรกคําที่ว่าเราได้เห็นเหล่าสัตว์ที่ถูกสักการะครอบงำย่ำยีจิต หลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตเนรกเราได้เห็นเหล่าสัตว์ที่ถูกความเสื่อมสักการะครอบงำย่ำยีจิตหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตเนรกเราได้เห็นเหล่าสัตว์ที่ถูกสักการะและความเสื่อมสักการะทั้งสองครอบงำย่ำยีจิตหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตเนรกนั้น เราหาเดืยกล่าวเพราะรับฟังมาจากสมณะหรือพราหมณ์อื่นๆไม่ภิกษุทั้งหลายแท้จริงแล้วเรารู้เองเห็นเองทราบเองทั้งนั้นจึงกล่าวคำนี้ว่าเราได้เห็นเหล่าสัตว์ที่ถูกสักการะครอบงำย่ำยีจิตหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกเราได้เห็นเหล่าสัตว์ที่ถูกความเสื่อมสักการะครอบงำย่ำยีจิต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 สมาธิของภิกษุใดผู้มีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทย่อมวันไหวด้วยเหตุสองประการคือ 1. ด้วยมีผู้สักการะ 2. ด้วยไม่มีผู้สักการะภิกษุนั้นผู้เข้าฌานมีความเพียรต่อเนื่องพิจารณาเห็นด้วยปัญญาที่สุขุมยินดีในธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปาทานณนะปราทั้งหลายเรียกว่าสัตบุรุษ แม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลสักการะสูตรที่สองจบสเทวสัทธสูตรว่าด้วย การเปล่งเสียงของเทวดาแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเทวดาอาศัยโอกาสสมโอกาสจึงเปล่งเสียงออกไปในหมู่เทวดาโอกาสสมโอกาสอะไรบ้างคือหนึ่งโอกาสที่อริยสาวกปลงผมโกนหนวด นุ่งห่มผ้ากาสาวพัดออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตเทวดาย่อมเปล่งเสียงออกไปในหมู่เทวดาว่าอริยสาวกนี้ตั้งใจจะทำสงครามกับกิเลสมารนี้เป็นเสียงของเทวดาข้อที่หนึ่งที่เปล่งออกไปเพราะอาศัยโอกาส 2. โอกาสที่อริยสาวกบำเพ็ญเพียรด้วยการเจริญโพธิปัจจียธรรม7็ดหมวด เทวดาย่อมเปล่งเสียงออกไปในหมู่เทวดาว่าอริยสาวกนี้กำลังระจญกับกิเลสมานนี้เป็นเสียงของเทวดาข้อที่สองที่เปล่งออกไปเพราะอาศัยโอกาส 3. โอกาสที่อริยสาวกทำให้แจ้งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตต์อันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันเทวดาย่อมเปล่งเสียงออกไปในหมู่เทวดาว่า อรียสาวกนี้ชนะสงครามแล้วเอาชนะได้ขาดจึงครอบครองตำแหน่งความเป็นใหญ่ในสงครามนั้นนั่นแลนี้เป็นเสียงของเทวดาข้อที่สามที่เปล่งออกไปเพราะอาศัยโอกาสภิกษุทั้งหลายเทวดาอาศัยโอกาสสามโอกาสนี้แหลจึงเปล่งเสียงออกไปในหมู่เทวดาพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้น จึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าแม้เทวดาเห็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ชนะสงครามกิเลสทรงคุณธรรมยิ่งใหญ่ปราศจากความสะทกสะทานย่อมนอบน้อมพร้อมกับกล่าวว่าท่านบุรุษอาชาในขอนอบน้อมต่อท่านผู้ครอบงำกิเลสที่ชนะได้ยากเอาชนะเซนาของมจุราชอันไม่มีใครกั้นไว้ได้ด้วยวีโม เทวดาย่อมนอบน้อมท่านผู้มีจิตบรรลุอรหัตผลแล้วด้วยเหตุดังกล่าวมานี้แลเพราะท่านไม่ตกอยู่ในอำนาจแห่งมจุราชเทวดาจึงนอบน้อมต่อท่านแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แหลเทวสัทสูตรที่สจบสปัญจะปุพนิมิตสูตรว่าด้วย บุพนิมิตหประการแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สะดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายในเวลาที่เทพรบรตบุจะจุติจากหมู่เทพย่อมปรากฏบุพนิมิตหประการคือหนึ่งดอกไม้ที่ประดับเหี่ยวแห้งสอง พัสราพรที่สวมใส่หมองจางลง 3. เหงื่อไหลออกจากรักแร้ 4. ผิวพันเศร้าหมองปรากฏที่กาย 5. เทพบุตรนั้นจะหมดความยินดีในที่พยสมบัติของตนเทวดาทราบว่าเทพบุตรนี้จะจุติก็พลอยยินดีอวยพรให้สามประการคือ 1. ท่านจากเทวโลกนี้ไปแล้วขอให้ได้ไปเกิดในภูมิที่ดี สท่านได้ไปเกิดในภูมิที่ดีแล้วขอให้ได้ลาบอันดี 3. ท่านครั้นได้ลาบอันดีแล้วขอให้ดำรงตนอยู่ด้วยดีเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการไปเกิดในภูมิที่ดีของเทวดาเป็นอย่างไรการได้ลาบอันดีของเทวดาเป็นอย่างไร การดำรงตนอยู่ด้วยดีของเทวดาเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุทั้งหลายการเกิดเป็นมนุษย์ชื่อว่าเป็นการไปเกิดในภูมิที่ดีของเทวดาการที่เทพประบุลงมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วได้ความศรัทธาในธรรมวินัยที่ตถาคตรประกาศไว้นี้ชื่อว่าเป็นการได้ลาบอันดีของเทวดา ก็ความศรัทธาของเทพบุตรนั้นแหลตั้งมั่นมีเหตุเกิดอย่างลงมั่นคงอันสมณะพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกไม่สามารถทำให้คลอนแคลนไปได้นี้ชื่อว่าเป็นการดำรงตนอยู่ด้วยดีของเทวดาพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้เมื่อเทพบุตร จะจุติจากเทวโลกเพราะสิ้นอายุเทวดาผู้พลอยยินดีย่อมเปล่งเสียงอวยพรสามประการคือท่านผู้เจริญท่านจากเทวโลกนี้ไปแล้วขอให้ไปเกิดในภูมิที่ดีคืออยู่ร่วมกับมนุษย์เถิดท่านเกิดเป็นมนุษย์แล้วขอให้ได้มีศรัทธาอย่างสูงยิ่งในพระสัทธรรมเถิดศรัทธาของท่านนั้นขอให้ตั้งมั่นมีเหตุเกิดอย่างลง มั่นคงในสัตธธรรมที่ตถาคตประกาศไว้ดีแล้วใครๆทําให้คลอนแคลนไม่ได้ตลอดชีวิตเถิดท่านจงละกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตได้ทั้งหมดรวมทั้งละกรรมชั่วที่ประกอบด้วยโทษอื่นๆจงทําความดีทางกายวาจาให้มากและทําความดีทางใจที่ประมาณมิได้ปราศจากอุปธินอกจากนั้นท่านจงทําบุญ ที่เกิดสมบัตินั้นให้มากด้วยการให้ทานชักชวนผู้อื่นให้ดำรงอยู่ในสัตยธรรมในพุทธศาสนาเถิดเมื่อเทวดารู้แน่ว่าเทพบุตรกำลังจะจุติย่อมพลอยยินดีด้วยการอนุเคราะห์กล่าวชวนดังนี้ว่าท่านเทพบุตรท่านจงหวนกลับมาเกิดในเทวโลกนี้บ่อยๆเถิดแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล ปันจะบุพนิมิตสูตรที่สจบ 5. พระหุชนะหิตสูตรว่าด้วยบุคคลเกื้อกูลชาวโลกแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้ว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 เสด็จอุบาขขึ้นในโลกนี้เป็นพระอระหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีประภาคตถาคตพระองค์นั้นทรงแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในถ้ำกลางและมีความงามในที่สุด ทรงประกาศพรหมจันทร์พร้อมทั้งอัฏฐะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนนี้คือบุคคลจำพวกที่หนึ่งซึ่งเมื่อเกิดขึ้นในโลกย่อมเกิดขึ้นเพื่อเกื้อกูนแก่คนหมู่มากเพื่อความสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูนเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย 2. ส, สาวกของพระตถาคตศสาสดาพระองค์นั้นนั่นเอง เป็นพระอระหันตขีนาศยูโพรหมจันทร์ทำกิจที่ควรทําเสร็จแล้วปลงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับแล้วสิ้นภวะสังโยชน์แล้วหลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบสาวกนั้นแสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในถ้ำกลางและมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจันทร์พร้อมทั้งอัฏฐและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วน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 แม้สาวกนั้นก็แสดงธรรมมีความงามในเบื้องต้นมีความงามในถ้ำกลางและมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนนี้คือบุคคลจำพวกที่สามซึ่งเมื่อเกิดขึ้นในโลกย่อมเกิดขึ้นเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อความสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูล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 พระศาสดาผู้ทรงสแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่จัดเป็นบุคคลจำพวกที่หนึ่งในโลกพระสาวกผู้ตรัสรู้ตามพระศาสดาพระองค์นั้นผู้อบรมตนแล้วจัดเป็นบุคคลจำพวกที่สองพระสาวกอื่นๆนอกจากนั้นผู้ยังเป็นพระเเสขะกำลังปฏิบัติอยู่เป็นผูหูสูรถึงพร้อมด้วยศีลและวัดจัดเป็นบุคคลจำพวกที่สาม บุคคลสามจำพวกนี้เป็นผู้ประเสริฐที่สุดในเทวดาและมนุษย์เป็นผู้ส่องแสงสว่างเผยแผ่สัจธรรมอยู่ย่อมเปิดประตูเข้าสู่นิพพานท่านเหล่านั้นช่วยปลดเปรื้มชนจำนวนมากออกจากโยคะชนทั้งหลายผู้ปฏิบัติตามอริยมรที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงนำหมู่เวนยชนออกจากภพผู้ไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าทรงแสดงไว้ดีแล้ว เป็นผู้ไม่ประมาทในาศาสนธรรมของพระสุคตย่อมทำที่สุดแห่งทุกข์ในอัตภาพนี้ได้แม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลพระหุชนะหิตสูตรที่หจบ 16. อาสุภาโนปสีสูตรว่าด้วยการพิจารนากายให้เห็นเป็นของไม่งามแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดบมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงพิจารณาเห็นความไม่งามในกายอยู่เสมอเถิดจงมันเจริญอานาปานสติ มุ่เฉพาะอารมณ์ที่เป็นภายในของพวกเธอจงพิจารณาเห็นสภาวะไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงอยู่เสมอเถิดเมื่อเธอทั้งหลายพิจารณาเห็นความไม่งามในกายอยู่เสมอย่อมละราคะนุสัยในท่าที่สวยงามได้เมื่อเธอทั้งหลายมันเจริญอาณาปานสติมู่งเฉพาะอารมณ์ที่เป็นภายในของพวกเธอมิฉาวิตกภายนอกที่เป็นฝ่ายแห่งความทุกข์ก็จะไม่มี เมื่อเธอทั้งหลายพิจารณาเห็นสภาวะไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงอยู่เสมอย่อมละวิชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่ามนี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าภิกษุผู้มีความเพียรพิจารณาเห็นความไม่งามในกายตั้งสติกำนดลมหายใจเข้าออก พิจารณาเห็นภาวะที่สงบระ ง, งับสังขารทั้งปวงตลอดกาลภิกษุนั้นแลเป็นผู้เห็นโดยชอบเพราะเหตุที่น้อมจิตไปในนิพพานธาตุนั้นจึงชื่อว่าสำเร็จอภิญญาหกประการเป็นผู้สงบล่วงพ้นโยคะได้แล้วเป็นมุนีแท้จริงแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล อสุพานุปัสสีสูที่หกจบเจธรรมานุธรรมปฏิปันนสูตรว่าด้วยผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สะดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อกล่าวว่า สภาวะที่สมควรใดเป็นเหตุให้บุคคลเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมด้วยการพยากรณ์สภาวะที่สมควรนี้ชื่อว่าเป <Pause. S 2> <ite> ็นธรรมที <S <S ่สมควรแก่ภิสุผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมชื่อว่ากล่าวแต่เรื่องที่เป็นธรรมเท่านั้นไม่กล่าวเรื่องที่ไม่เป็นธรรมเมื่อตรึกชื่อว่าตรึกถึงแต่วิตกที่เป็นธรรมเท่านั้นไม่ตรึกถึงวิตกที่ไม่เป็นธรรม หรือเว้นกริยาทั้งสองนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีอุเบกขามีสติมีสัมปชัญญะอยู่พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าภิกษุมีธรรมเป็นที่มายินดียินดีแล้วในธรรมพิจารณาใครครวนถึงธรรมระลึกถึงธรรมอยู่ย่อมไม่เสื่อมจากสัตธรรมภิกษุ เมื่อยืนเดินนั่งหรือนอนก็ตามควบคุมจิตให้สงบอยู่ภายในได้ย่อมบรรลุความสงบแท้จริงแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลธรรมานุธรรมปฏิปันโนสูตรที่เจ็ดจบ 8. อันทกรณณะสูตรว่าด้วยวิตกทั้งที่ทำให้มืดมนและไม่มืดมน แท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วเขาพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายอากุศสวิตกสามประการนี้ทำความมืดมนไม่ทำให้เกิดปัญญาจากสุทำแต่ความไม่รู้ดับปัญญาเป็นบอ่อเกิดแห่งทุกข์ไม่เป็นไปเพื่อ น, นิพพานอากุศสรวิตกสามประการอะไรบ้างคือหนึ่ง กามวิตกทำความมืดมนไม่ทำให้เกิดปัญญาจากสุทำแต่ความไม่รู้ดับปัญญาเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์ไม่เป็นไปเพื่อนิพพาน 2. พยาบาทวิตกทำความมืดมนไม่ทำให้เกิดปัญญาจากสุทำแต่ความไม่รู้ดับปัญญาเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์ไม่เป็นไปเพื่อนิพพาน 3. วิหิงสาวิตกทำความมืดมนไม่ทำให้เกิดปัญญาจากสุ ทำแต่ความไม่รู้ดับปัญญาเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์ไม่เป็นไปเพื่อนิพพานอาุศลวิตกสามรการนี้แลททำความมืดมนไม่ทำให้เกิดปัญญาจากสุทำแต่ความไม่รู้ดับปัญญาเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์ไม่เป็นไปเพื่อนิพพานภิกษุทั้งหลายกูคุลสวิตกษามรการนี้ไม่ทำความมืดมนทาให้เกิดปัญญาจากสุทำให้เกิดความรู้ทาปัญญาให้เจริญ ไม่เป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์เป็นไปเพื่อนิพพานกุศลวิตกษามประการอะไรบ้างคือหนึ่งเนคขมะวิตกไม่ทําความมืดมนทําให้เกิดปัญญาจากสุทําให้เกิดความรู้ทําปัญญาให้เจริญไม่เป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์เป็นไปเพื่อนิพพาน 2. อัพภยาบาทวิตกไม่ทําความมืดมนทําให้เกิดปัญญาจากสุทําให้เกิดความรู้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 ไม่เป็นบ่อกเกิดแห่งทุกข์เป็นไปเพื่อ น, นิพพานพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมันนี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าภิกษุผู้บำเพ็ญเพียรควรตรึกถึงกุศลวิตก3สามประการและควรขจัดอกุศลวิตก3สามประการออกภิกษุนั้นย่อมทำมิจฉาวิตกและมิจฉาวิจารให้สงบลงได้พลันเหมือนฝนตก ทำฝุ่นทุลีที่ฟุ้งขึ้นให้สงบหายได้ฉะนั้นภิกษุผู้บำเพ็ญเพียร น, นั้นมีใจสงบจากอากุศลวิตกตกทั้งหมดย่อบรรลุสันติบทได้ในอัตภาพนี้แน่นอนแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพเจ้าได้สะดับมาอย่างนี้แลอันทกรณสูตรที่8จบ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 เป็นอ ม, มิตรภายในเป็นศัตรูภายในเป็นเพชฌฆาตภายในเป็นฆ่าศึกภายในภิกษุทั้งหลายทำสามประการนี้แลเป็นมนทินภายในเป็นอ ม, มิตรภายในเป็นศัตรูภายในเป็นเพชฌฆาตภายในเป็นฆ่าศึกภายในพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในพระสูตรนั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า โลภะก่อให้เกิดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์โลภะทำให้จิตกำเริบโลภะเป็นภัยที่เกิดภายในคนส่วนมากไม่รู้จักภัยนั้นคนโลภไม่รู้จักผลคนโลภไม่รู้จักเหตุความโลภครอบงำนรชนเมื่อใดความมืดบอดย่อมมีเมื่อนั้นส่วนผู้ใดละโลภะได้ไม่ทยานอยากในอารมณ์ที่เป็นเหตุแห่งความโลภโลภะ จะถูกอริยมรรละได้เด็ดขาดไปจากผู้นั้นเหมือนหยาดน้ำกลิ้งตกจากใบโบชันนั้นโทสะก่อให้เกิดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์โทสะทำให้จิตกาเริบโทสะเป็นภัยที่เกิดภายในคนส่วนมากไม่รู้จักภัยนั้นคนโกรธไม่รู้จักผลคนโกรธไม่รู้จักเหตุความโกรธครอบงำนรชนเมื่อใดความมืดบอดย่อมมีเมื่อนั้น ส่วนผู้ใดละโทสะได้ไม่ขัดเคืองในอารมณ์ที่เป็นเหตุแห่งความขัดเคืองโทสะจะถูกอริยมักละได้เด็ดขาดไปจากผู้นั้นเหมือนผลตาลสุกหลุดจากคั่วฉนั้นโมหะก่อให้เกิดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์โมหะทำจิตให้กำเริบโมหะเป็นภัยที่เกิดภายในคนส่วนมากไม่รู้จักภัยนั้นคนหลงไม่รู้จักผล คนหลงไม่รู้จักเหตุความหลงครอบงำนรชนเมื่อใดความมืดบอดย่อมมีเมื่อนั้นส่วนผู้ใดละโมหะได้ไม่ลุ่มหลงในอารมณ์ที่เป็นเหตุแห่งความหลงผู้นั้นย่อมกำจัดโมหะทั้งหมดได้เด็ดขาดเหมือนดวงอาทิตย์กำจัดความมืดฉะนั้นแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วเขาพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แล อันตรามละสูตรที่เก้าจบ 10. เทวทัตตสูตรว่าด้วยพระเทวทัต ถ, ถูกอสัตธรรมครอบงำแท้จริงพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วพระสูตรนี้พระอรหันต์กล่าวไว้แล้วข้าพเจ้าได้สะดับมาอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายพระเทวทัต ถ, ถูกอสัตธรรมสามประการครอบงำย่ำยีจิต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 แก้ไขไม่ได้ 3. เมื่อยังมีมรรคผลที่ควรทำให้สูงขึ้นไปเทวทัตกลับมาถึงความเสื่อมสีกลางคันเพราะบรรลุคุณวิเศษขั้นต่ำภิกษุทั้งหลายเทวทัตถูกอสัตธรรมสามประการนี้แหลครอบงำย่มยีจิตต้องไปเกิดในอบายต้องไปเกิดในนรกดำรงอยู่ชั่วกับแก้ไขไม่ได้ พระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความดังกล่าวมานี้แล้วในประสูน์นั้นจึงตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าใครๆอย่าได้เกิดเป็นคนปรารถนาชั่วไม่ว่าในการไหนใ น, นโลกเธอทั้งหลายจงรู้จักเทวทัตว่ามีคติเหมือนกับคนปรารถนาชั่วเทวทัตเป็นที่ยกย่องกันว่าเป็นบัณฑิตเป็นที่รู้กันว่าได้อบรมตนแล้วเราได้ฟังมาว่าเทวทัต ดุดรุ่งเรืองอยู่ด้วยยศเทวทัตนั้นสั่งสมความประมาทเบียดเบียนตถาคตนั้นจึงต้องไปเกิดในนรกอเวจี G. มีประตูสีด้านน่าสะพรึงกลัวยิ่งนักผู้ใดประทุษร้ายต่อคนที่ไม่ประทุษร้ายผู้ไม่ทำกรรมชั่วบาบย่อมถูกต้องเฉพาะผู้นั้นเท่านั้นผู้มีจิตคิดประทุษร้ายไม่มีความเอื้อเฟือ้อ ผู้ใดเบียดเบียนตถาคตผู้เสด็จไปดีมีพระไทยสงบด้วยการกล่าวตําหนิการตําหนิพระองค์ย่อมฟังไม่ขึ้นเปรียบเหมือนผู้ที่ตั้งใจประทุษร้ายมหาสมุทรด้วยยาพิษจํานวนเป็นหม้อเขาไม่อาจประทุษร้ายได้เพราะมหาสมุทรน่ากลัวภิกษุผู้ดําเนินตามมรรคาของพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกพึงถึงความสิ้นทุกข์ได้บัณฑิต ทำพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกให้เป็นกัลยาณมิตรและคบหาท่านเหล่านั้นแม้เนื้อความนี้พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วข้าพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้แลเทวทัตสูตรที่สิบจบจตุถว์จบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือหนึ่งวิตกสสูตรสองสักกะระสูตรสา เทวสัทสูตร 4. ปัญจปุพนิมิตาสูตร 5. พหูชนะหิตตสูตร 6. อสุพานุปษษัสีสูตร 7. ธรัรมมานุธรัมรมปฏิปันนสูตร 8. อันธกรณะสูตร 9. อันตรามละสูตร 10. เทวทัตตสูตร